<Book> <81. S 3> บุกทูแปดสิบเอ็ดยันะเพวอกติอดีตการหนึ่งบูตกาลมวอกติเขียนบรายดัเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉ บ, บับอ้ยน้กบุตรณนี้ราศารี และเธอได้เขียนการ์ด1นึ่งใบไอยนักวิเคราะร์ดนี้รากาดอ่านชาดวบดํเขาได้อ่านนิตยสารหนึงฉบับไอยนัวิคระสมาเารพัตระนี้ชาดิวาโรและเธอได้อ่านหนังสือ1เล่มอาลากีอาเมวเคราะห์สตทธคานี้ชาดิวินดิ หยิบติสโกวดเขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนอ้นวะกะกตต่กัิการ์ทิสกุลนาุเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นอามีวะกะมุกกะช็โกแลตทิสกุนดีเขาไม่ซื่อสัตว์แต่เธอซื่อสัตว์อนะวิ ส, วส น, น, สสนล เขาขี้เกียจแต่เธอขยันอายนะบัดรดกสุดแคานิอาเม่ัสต์จีวีเขาจนแต่เธอรวยไอยนะบีดวาดแค่นิอาเมด hanavan เขาไม่มีเงินมีแต่นี่ไอน้นะดาดับบุเลดเควมอปุเลอุนนาย เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายอานยนกี้อดริสตเลดูเควลัมดรดุริสม่อุ่เขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวอายนกี้วิเจลเลดูเควลัมปาราเม่อุ่เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ ไ อ, นนอ้นทรุปติเชนเดเลดูอาสันทุปติเชรเขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไอ้นัสันโตชังกาเลดูดุกิสตุนนารูเขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตรไอ้ น, นัสเนห์ปูรวาคังกาเลดูเสนห์รหิตังกาอุนนา